ใหเป็นอาชีพเป็นหนึ่งในชีวิตเราน อ, อกจากเรามีการศึกษาเราเรียนในวิชาความรู้ต่างๆเป็นปัจจัยเป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นอาชีพศิษยาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลาย ชีวิตเราก็มีสองส่วนส่วนกายส่วนจิตส่วนกายนั่นก็เลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารส่วนจิตก็เลี้ยงด้วยศึกษาและทับคื อ, อคุณธรรมเป็นอาหารจิตเราจึงมีการศึกษาทั้งสองส่วนให้อาหารทั้งสองส่วนมันจะ จึงจะสมดุลการปฏิบัติรมการเจริญสติเป็นการให้อาหารจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณได้สัมผัสกับปกติธรรมทั้งหลายในสภาพของจิตไม่ใช่ว่าจะคิดปุ ง, ปงแต่งๆโดยเฉพาะจิตใจของเราเนะี่ยเราใช้จิตใจไม่เป็น เอามาไหววิตกกองวนเศร้ามองเอามาไว ว, ว, าาาไวรักไหวชังเอาไว้สุขไหวทุกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตบางทีเราก็ชิดจนทำให้ตัวเองเก็บปวดชิดแบบกัดตอดตัวเองให้เก็บปวดอันนั้นไม่ใช่ไว้ถูกต้องจิตใจเนี่ยต้องพึ่งเอาไววหยุดเอาไว้เย็น เอาไว้ให้อยู่ในความปกติเนี่ยต้องมีศีกขาและธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาคอยดูแลนะดูแลกิตตัวใดระวังกิตัตวนั่นจะพ้นจะบวงแห่งมากิตตัสฑะนิรติโล โ, โลก้โลกอันจิตย่อมนำไปกิตตัทันตังสุขวหังกิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ เราไม่ีจิตก็ต้องให้เพึ่งจิตตายให้เราจึงมาพากันมาปฏิบัติมันจึงจําเป็นเราไม่มีกายเราไม่ีใจอย่าไปคิดแต่เรื่องกายอย่างเดียวมาดูแลจิตใจด้วยการมาปฏิบัติการมาเจริญสติมันโดยตรงอ่าโดยตรงเราเจริญสติมันก็เป็นการฝึกขัดจิตไปในตัว ไม่บางทีก็ฝึกหัดตรงๆฝึกหัดตรงๆจะเอกันตรงๆเรากำลังเจริญสติอยู่ดีๆมันคิดพุทธึ้นดเบลรรู้สึกตัวตรงๆจะเอกับความคิดที่มันลงความรู้สึกตัวกับความหลงถี่เกิดขึ้นกับคิดมันเป็นบทเรียนที่มีค่ามากอย่าไปถือเอาเป็นความผิดพลาด อมันหลงทุอได้ที่เกิดขึ้นกับจิตรู้สึกตัวนั่นรสชาติของการปฏิบัติธรรมพอรู้สึกตัวกับจิตที่มันหลงคิดไปกลับมารู้สึกตัวนั่นบรรลุธรรมการบรรลุธรรมคือบรรลุอย่างนี้เวลาใดที่มันโกรธมันทุกเกิดขึ้นกับจิตรู้สึกตัวหอมโกรธความทุกหมดไปหายไปหยุดไป เรียกว่าบรรลุธรรมชีวิตเราต้องเป็นการบรรลุธรรมบรรลุปัญหาที่เกิดขึ้นกับกจิตใจของเราฝึก้นเราไว้ไม่ใช่จะรับเอาทุกอย่างโดยพอเรื่องจิตใจนี่สั่งงานสั่งการให้กายหอผิวกายหอผิวอะไรต่างๆมันก็ไม่ไหวทําตามความคิดหมดทุกอย่างไม่ได้นี่ ชีวิตเรามันต้องอยู่อย่างนี้นอยู่กับกายอยู่กับจิตเป็นจะเป็นจะตายมันก็เรื่องของกายของจิตเราการปฏิบัติธรรมจะเกิดความสมดุลในการมีชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิตความรู้สึกตัวนี่คือชีวิตความโกรธความทุกข์ความวิตกควาวลมันไม่ใช่ชีวิตความไม่โกรธไม่ทุกข์ความไม่กังวลความปกติคือชีวิต ชีวิตแบบนี้ชีวิตไม่ตายเราต้องได้ชีวิตแบบนี้ให้มันเป็นคนลดส่วนกับโลกโลกทั้งหลายเราก็ใช้กายใช้จิตของเราให้เหมาะสมไปกับเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็มันจะมีรสชาติในการที่มีชีวิตท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้สพัพพรัสสังธรรมรัสโซ ลถของพระธรรมเนี่ยชนะลดทั้งปวงไม่ใช่ลดแบบอะไรต่างๆที่ลดของโลกมันก็ไม่ลดอะโลกก็ไม่ลดนจนมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายติดลดของโลกเราไม่มีสติสัจจะเนี่ยโลกก็ไปจินหมดเลยชีวิตเรานะสำหรับความชงความสุขความทุกข์ยินดียินไล่วิตกกังวลเศรมอง ตาโหยจมูกเลี้ยงกายใจมันก็มีรสล้วก็แบ่งปันให้รสเหล่านันจนจนไม่มีะไรเหลือบางทีนะอตามันก็มีรสกินอาหารต่างๆหูมันก็มีรสกินอาหารทางหูจมูกมันก็มีรสกินอาหารทางจมูกลิ้นมันก็มีรสกินอาหารทางลิ้นไายมันก็มีรสกินอาหารทางกาย จิตใจมันก็ไม่รถกินอาหารทางกิตแต่ว่าจิตนี่แทบจะไม่มีแหลรงเกิดแห้งไปท่วมเทให้กับตาหัวจมูกลิ้นกายไปเสือทั้งหมดพเราได้รดของพระธรรมแล้วรดทั้งพวงก็จะก็จะจืดนะเพราะว่าจืดมันไม่มีค่าเพราะว่าจืดก็ไม่มีค่าส่วนจิตที่มันเป็นอิ่มความปกติของจิตนี่ยแล้วก็ใช้รสจนถูกต้อง มาจจะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีเขาเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่จมูกก็เป็นใหญ่ลิ้นก็เป็นใหญ่กายก็เป็นใหญ่แต่ว่ากิตนี่ถ้ามีสติอินซีเข้าไปเป็นจิตที่ฝึกตีแล้วก็เป็นใหญ่ถ้าใหญ่ด้วยความเป็นธรรมแต่ถ้าเราไม่ฝึกกิจมันก็เป็นใหญ่เหมือนกันใหญ่แบบเถื่อน ออกหิวให้คิดไปทำไปพูดไปเป็นปัญหาต่อทุกสรรพสิ่งเราจะมาฝึกกันจำเป็นมากๆอย่างที่เราฝึกต้องเห็นอะไรบ้างเห็นความคิดถูกความคิดหลอกแล้วหลอกอีกปายก็หลอกอีกตาก็หลอกหูก็หลอกเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ มีรสชาติดีนะไม่สนุกอะไรเท่ากับการสนุกอะไรต่างๆไม่เท่ากับสนุกการมาดูกายมาดูใจมันเห็นของจริงเห็นของที่ไม่จริงความไม่จริงอยู่ในความความจริงอยู่ในความไม่จริงเช่นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันจริงแบบไม่จริง ความโกรธมันไม่จริงความโกรธมันไม่เที่ยงความโกรธโกรธมันเป็นทุกข์มันก็มีแต่ว่าเราเห็นที <like voilà ่มันไม่จ şey. ริงมันก็จืดอะเมื่อสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับเราสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นกับเราอันนี้ต่างหากที่เป็นการบรรลุธรรมเรว่าเห็นเห็นแล้วเห็นหมดแล้วเรื่องของกายของกิต ตั้งแต่อยู่วัดป่าสุกโตโ น, นไปพบไปเห็นมาแล้วมันก็เรื่องเกา่ามวามไม่เที่ยงก็เกิดอยู่เรื่อยๆมันตามไปมากะแห่เราไปแห่ในกายแห่ในกิดแต่ว่ากิตใจของเราเนี่ยถ้าเราฝึกมันจะมั่นคงมันจะเกิดการเห็นความไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงไม่เข้าไป สึกหยบไม่เข้าไปอยู่กับมันเป็นผู้ดูมันหวัวเลาะความไม่เที่ยงหวัวเลาะความเป็นทุกข์หวัวเลาะความไม่ใช่ตัวตนเดียวว่าปัตตาหตตโนนาโถพึ่งได้แล้วบนะเป็นชีวิตที่พึ่งได้เมื่อสิ่งเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็รู้แล้วรู้แล้วความไม่เที่ยงรู้แล้วรู้แล้วรู้หมด <kiem> เหมือนหลวงพ่อพ hmm. ูดต่วันก่อนๆมันก็เรื่องเดียวเรื่องกายเรื่องจิตของเรามันไม่มากหรอกมันไม่มากแต่เรามาไม่สติดูเห็นมันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็ได้ทำแล้วนะความหลงกับความรู้ความหลงก็สอนให้เรารู้ความผิดก็สอนให้เรารู้ความสุขก็สอนให้เรารู้ความทุกข์ก็สอนให้เรารู้ อะไรต่างๆ ต, ต, ตัวลู่ศึกตัวเนี่ยเข้าไปฉเฉลยเราใช่เรื่องนใช่การศึกษาเพราะว่าศึกษาคือถลุงย่อยแล้วความหลงไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนความทุกข์ไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนย่อยออกแล้วถลุงแล้วแยกแล้วทำให้หมดไปแล้วความหลงเป็นสังขาร สิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับสังขารสังขารคือการปรุงแต่งๆสิ่งไหนที่มันเป็นผลผิดของสังขารทั้งหลายแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าเราไม่ศึกษาสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับสังขารเราก็ไปยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เราสวดทรมวัชชานะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ไปยึดเอารูปก kind of so ็เป so ็นรูปไปยึดเอาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะรูปไปยึดเอาเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาไปยึดเอาสัญญาว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสัญญาไปยึดเอาวิญญาณสังขารว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะวิญญาณสังขารไปยึดเอา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายลรู้เลยว่าโดยยอประธานขันธ์ทั้งหเป็นตัวทุกข์เฉอยอธิทางได้แก่เสียงเหล่านี้คือรูปมันก็ไปเที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ไปยึดแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนไปอยู่กับความไม่เที่ยงไปอยู่กับความเป็นทุกข์สงสาวกทั้งหลายเขารู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากเอวังเอวัก เอวังคือสรุปแล้วนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะบนรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้นะทำฉันไหนการทำที่สุดแห่งของทุกขังเ้นนี่จะเพิ่งปรกากฏชัดแจเราได้ความทุกข์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอุปทานเอาไปยึดเอายึดเอาก็คว่าน้ามเหลวกันทั้งนั้นยึดเอาความหลงมันก็ไม่มีความหลง ยึดเอาความโกรธมันก็ไม่มีจริงๆความโกรธยึดเอาความทุกข์มันก็ไม่มีจริงๆความทุกข์เราไปยึดเอาเป็นครั้ง wicked, Horizon, เป็นคราวยึดเอาความลักยึดเอาความชังตูวความลักความชังหลอกตูวความโกรธความโลภความหลงหลอกเสียผู้เสียคนเมื่อมันเกิดจากเรามันก็ไม่มีตัวเม่ตนแล้วก็หลอกเราได้ดีไม่มีตัวเม่ตนจริงๆรินะ มันก็ไม่น่ากลัวอะไรบางทีก็ยอมแพ้เอ็นความโกรธก็ยอมทำตามความโกรธแพ้ไปเลยปาลชัยไปเลยไม่เคยเอาความโกรธมาศึกษาความทุกข์มาศึกษามาดูซิว่ามันมีจริงๆไหมมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้บางทีนะถูกคนหลอกทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายก็นไหม อถูกความโกรธหลอกแล้วก็ฆ่าฆ่ากันด่างมีสมัยที่ร้อยสิบเอ็ดสิบสองร้องตาอยู่มึงเลยปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียน <c oughs> มีชาวบ้านพ่อออลูกกับพ่อตาย อ, อันนี้เห็นกับตาแล้วก็พ่อกับ ลูกสะพ้ยอยู่บ้านปู่เนี่ย ก, ก็พูดกับลูกสะั้ยลูกสะั้ยก็ร้องไห้ไปหาหัวของตนที่ทำงานอยู่บนไร่ในไร่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบอกหัวตัวเองว่าปู่ด่าหัวของตัวได้ยยศเมียไปบอก ขณะที่ทํางานอยู่ก็โกรธทันทีคนทํางานหนักๆอะไรก็ตามจะโกรธง่ายใจมันจะเปราะบางพอไปบอกพปู่ด่าก็โกรธทันทีพอโกรธล้วก็ขับรถปทร์ตเคนบางเลยมันกิดมีปืนลูกซองที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าโดงขเข้าป่าก็จะพายปืนลูกซองไปพายปืนลูกซองไปกัขับรถปอร์ตเซมัเข้ามาบ้านปู่กําลังเล้าตอก ไม่ไพ่ยอยู่ยังไม่ได้พูดจาอะไรเลยเขามโกรธก็อเอาปืนลกสองเดี่ยวยิงปูปูก็บอกว่าอย่ายิงอย่ายิงเอามือบังไว้มึงอย่ายิงอย่ายิงไอ้ผู้จัดมารยิงถูกขวามือถูกหน้าผากตายทันทีพอพ่อตายแล้วคนที่เป็นลูกชายที่ไปยิงพ่อนี่ยวางปืนทิ้งขึ้นทันทีโอ้ยพ่อกูตายแล้วพ่อกูตายแล้ว ความโกรธหายไปเลยกลายเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงต่อความโกรธมันหายไปกลายเป็นความสงสารพ่อทันทีอุ้มพ่อกอดพ่อร้องมุมร้องไห้เสียอกเสียใจแล้วก็นั่งร้องหม่มร้องไห้กอดศพพ่อแล้วก็รอให้ตำรวจมาจับตอนมีคนไปแจ้งตำรวจมาจับตำรวจก็จับไปสารภาพก็ติดคุก ติดคุก อ, อก็่าก็มาเป็นคนดีทำบุญทำทานช่วยเหลือพี่น้องด้ความผิดพลาดที่ตัวเองทำความชัว่วเนี่ยความโกรธแป๊บเดียกวก็าหายไปทำตามความโกรธมันไม่มีจริงๆริงความโกรธเราก็ไปเสียเปรียบกันความทุกข์มันก็ไม่มีจริงๆ ออกไว้นี่เราจะไม่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีอํานาจที่จะมาสั่งให้เราทําได้เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเราฝึกเอาไว้แล้วเห็นมันแล้วเราเห็นความทุกข์ก็อย่างดีนะเห็นความเบื่อหน่อยเห็นความขี้เกียจขี้ค้านที่มันโสอดแทรกขึ้นมาเรากําลังทําดีบางทีมันก็คิดขึ้นมาเบื่อเซ็งเครียดน่ะมันเกิดขึ้นได้กับเรากลายเป็นความเครียด ผมพ่อเคยสอบอารมณ์นับปฏิบัติตอนกรุงเทพมาปฏิบัติไปถามเขาเป็นยังไงหนูเขาก็เขาก็พูดว่าม่ไม่ไหวเลยหลวงพ่อวันนี้มันเครียดมันคิดมากแย่เลยแย่เลยอ่าก็เลยถามว่า นักกรรมฐานไม่ใช่พูดแบบนั้นพูดใหม่พูดให ม, ม่จะพูดยังไงดีล่ะมันเครียดมากไม่ใช่พูดใหม่เราเป็นนักกรรมฐานแล้วเราก็พูดไปว่าวันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้สิเห็นมันเครียดก็เป็นผู้เครียดต่างกันไหมต่างกันมฮถ้าเห็นมันเครียดเนี่ยเบาสักหน่อยม ถ้าเป็นผู้เครียดเนี่ยหนักไหมเอออย่างนี้นี่นักกรรมฐานเห็นมันเครียดพอเขาบอกว่า อ, อวันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นักกรรมฐานต้องดูแบบนี้เป็นผู้ดูอย่าเข้าไปอยู่พอหลงตาบอกเลยเขาก็หน้าตาก็เบิกบานแต่ดูมันก็เป็นถาว่าที่เห็นเข้าจังๆแยกได้จังๆหน้ามือเป็นหลังมือ ระหว่างความเครียดกับความไม่เครียดมันก็มาพร้อมๆกันเกิดที่เดียวกันดูดีๆนะมันเกิดที่เดียวกันความเครียดเกิดขึ้นที่กิจเอาความไม่เครียดก็อยู่ที่กิจนั่นแหละความโกรธมันเกิดขึ้นที่กิจความไม่โกรธก็เกิดขึ้นที่กิจนั่นแหละอ่ะมันอยู่อย่างนั้นเหตุมันมีผลมันก็มีพระพุทธเจ้ายังบอกว่าไม่แต่เหตุกับผลตอน ที่ตัดสลู้เพราะของพระพุทธเจ้าตัดสลูปอริยสัจสี่อริยสัจสีก็ไม่เหตุกับผลนะความโกรธความไม่โกรธความโกรธเกิดขึ้นติกรรมมันเป็นเหตุที่ทําให้กิจมันโกรธเราก็เปลี่ยนตรงนั้นแหละเหตุเกิดที่ไหนก็ตับแห่งเหตุนั้นนั้นอย่าไปด่ากันเวลามันโกรธขึ้นมาก็ไปด่ากันกูได้ด่ามันกูก็หายโกรธไม่ใช่เลยก็ต้องเปลี่ยนในกิจของเรานั่นแหละ ก็ต้องมีสติเนี่ยเราฝึกเอาไว้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่มีใช่นะก็พัดไปเลยละเราจึงมามีหลักกรรมฐ า, านเป็นหลักฐานมีนที่ตั้งมีหลักแล้วเรามีหลักแล้วเรามีความรู้เป็นเจ้าเรือนมีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าเรือนบางทีเรามีความหลงเป็นเจ้าเรือนมันก็มีปัจจัยที่หลงอยู่แล้ว ตาหูจมูกเล่นกายใจมันเป็นวัตถุแห่งความหลงก็ได้รูบรสกลิ่นเสียงเป็นวัตถุแห่งความหลงพระพุทธเจ้าจังหวาวัตถุกรรมมคุณเกิดขึ้นที่ตาที่หูจมูกเล่นกายใจรูบรสกลิ่นเสียงมันเป็นมันเป็นใหญ่อต่ น, นี้เรามีสติเป็นใหญ่กว่าใช่ตาใช่หูนะ เราจึงมาฝึกขัดให้มันมีเราไม่ฝึกมันไม่มีอย่าให้จนเลือกที่อะไรเกิดขึ้นก็นตามเรามีสติแล้วเข้าขั้งคมรู้สึกตัวเอาไว้ก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดขณะที่ทําขณะที่คิดมีสติเป็นเจ้าเรือนมีสติเป็นเป็นใหญ่เป็นสติอินทรีย์เป็นใหญ่กว่าตากว่าหู กัวจมูกกัวเลี้นกัวกายกัวใจถ้ามีสติอินรีนั้นสติอินซีนี่เอาตาเอาหูเอาจมูกเอาเลี้นเอากายเอาใจมาใช้สติเป็นผู้ใช้เสียงเหล่านี้มันไม่ให้ไม่ให้มันใช้เราถ้าเราฝึกแล้วนะอะไรเกิดขึ้นก็ตามสติเป็นเจ้าเรือนหรือเป็นวิหารและธรรมเป็นที่อยู่ของชีวิตเรา ปลอดภัยที่สุดเลยไม่มีภัยเลยมีแต่ชีวิตที่เราใช้ชีวิตทำงานทำการประสบการณ์ไปเรื่อยๆศึกษาไปเยรื่อยๆบางคนนะปฏิบัติทำเนะี่ยตอนที่ปฏิบัติในภาคปฏิบัติภาคการคจริงๆเนะี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจพอไปประกอบอาชีพบางคนไปอาบน้ำหลวงพ่อยังได้รับจดหมายของนายแพทย์คนหนึ่ง อยู่จังหวัดนครสวรรค์เขาเข้าใจชีวิตตอนที่เขาอาบน้าเขาทูสบู่ทูไปทูมาลูดสึกตัวพอดีขณะนั้นมันคิดขึ้นมาเขารู้ทันขณนะนั้นพอดีเขาเรียว่าได้ชัยชนะได้ชัยชนะของกิจที่มันคิดที่มันหลงเขาบอกว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อ ผมไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นกับจิตผมกําลังถูสบู่รู้สึกตัวอยู่มันคิดขึ้นมาผมรู้ท่านมันจะเอเหมือนหลวงพ่อว่าจริงๆนะอลไหลชัยเลยความคิดแบบนั้นนะแต่ก่อนผมไปกับมันเดี๋ยวนี้ผมไม่ไปแล้วมันปลาไหลชัยวันพ่ายแพ้ความรู้สึกตัวชนะไปเลยเป็นการชนะตัวเองชนะตัวเองก็คือชนะตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี่ยนะไม่ใช่ไปชนะคนอื่น ชนะคนอื่นลอยครั่งพันหนไม่ชนะตนครั้งเดียวชนะตนคือชนะตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิตตรงนี้แหละเอาเป็นเป้าเลยพวกเราการบําเพ็ญทางจิตก็คือทําอย่างนี้เราอยู่ที่ไหนจิตก็มันก็มีอยู่มันคิดขึ้นมาเราก็รู้มันจะสโศกจะทุกข์เรารู้มันไปด้วยกันมันไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกันแล้วการปฏิบัติธรรมมันสะดวกนะ ความหลงกับความรู้ไปพร้อมกันแก้ได้เปลี่ยนได้ความทุกข์กับความไม่ทุกข์ไปพร้อมๆกันเกิดที่เดียวกันอย่าไปทิ่งมองเป็นมองเป็นเหตุเป็นผลการบรรลุธรรมก็บรรลุตรงไหนความหลงเกิดขึ้นเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้บรรลุธรรมแล้วความโกรธเกิดขึ้นเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้สึกตัวบรรลุธรรมแล้วอะไรก็ตามนะบอกแล้วบอกอีกว่าตัวรู้สึกตัวที่เป็นสติปัฏฐานเก่งๆเนะ่ นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมมันเปลี่ยนไปแล้วแก้ได้แล้วพ้นไปแล้วมันหลงก็พ้นเจาาความหลงมันทุกกว่าพ้นเจ้าความทุกมันมันมีเพื่อความหลุดพ้นที่สุดของการศึกษาปฏิบัติคือพรห ม, มจรรย์พรห ม, มจรรย์คือความหลุดพ้นความบริสุทธิ์ความปกติอัน น, นี้เราต้องทำให้เป็นถ้าไม่หัดมันก็ทำไม่เป็นมันก็ เพราเอาตะเพืตะเพื่รู้จักเลือกการรู้จักเลือกเขาเรียกว่ารำมิจยะทหรือโยนิโสมันะเสียการสอนสอนเหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารต้องขบต้องเคี่ยวการเคี่ยวอาหารเนี่ยบางทีมันก็ถ้าไปถูกเลื่อนถูกเคี่ยวถูกฟันของเราแล้มันก็ไม่ไม่กลืนมันไม่กลืนมันเราออกแค่ถูกดูกถูกก้าง มันก็เอาออกมันคลายทิ้งไปมันไม่เอาเรียกว่าธรรมวิจยะการขบเคี้ยวการสอดส่องดูแหลดูอย่าเข้าไปอยู่เห็นอย่าเข้าไปเป็นในกายในใจแนวดูอะไรที่เกิดขึ้นกับกายดูอย่าเข้าไปอยู่อะไรที่มั น, เ ก, นกเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นมันอย่าเข้าไปเป็น ก็บอกแล้วบอกอีกบอกแบบ ง, ง่ายๆบอกแบบสุดยอดเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นมันหิวเป็นผู้หิวหรือว่าเห็นมันหิวถ้าเป็นผู้หิวหลบหมดเนื้อหมดตัวมันก็เป็นโลกไปแล้วรถของโลกเอาชีวิตเราไปแล้วเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวขอบคุณความหิวมันไม่ตายเพราะความหิว ขอบคุณความร้อนความหนาวไม่ใช่เอาความร้อนความหนาวมาเป็นทุกข์ไม่ใช่เอาความหิวมาเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีหลักเอามาเป็นทุกข์ทั้งหมดร้อนก็ทุกข์ใจแล้วหนาวก็ทุกข์ใจหิวก็ทุกข์ใจเจ็บปวดก็ทุกข์ใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเอามาเป็นทุกข์บัตดีเอามาเห็นเอามาเป็นการพบเห็นถ้าเห็นแล้วหลุดพ้นนะมีนักปฏิบัติคนหนึ่งเข า, าเป็นโรคมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็กระดูกด้วยทำไมหรอยสิบแปดหลวงพ่อเคยไปสอนทมที่กรุงเทพวัดชนระทานเขามาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเ ข, อขาก็พอเอาชีวิตรอดได้เขาเป็นโรคมนเร็งก็เขาก็าาาออกจาก บ, บ้านหลังใหญ่เขาเป็นสามีเขาเป็นนายทหารใหญ่ เขาลงแก บ, บ้านลังใหญ่ไปปลูกกระต๊อบอยู่มุมหนึ่งของบ้านในรัวบ้านปลูกหญ้าเขียวปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เอาไปลูกชายสองคนลูกชายเขาก็เป็นคนดีเขาอยู่คนเดียวหลวงพ่อไปเยี่ยมเขาเขาพูดให้ฟังโอ้หนูแยกหนูแยกรูปแยกนามออกแยกความปวดความปวดเป็นอาการของกายใจไม่ปวดก็ได้นะหลวงพ่อนะ ถ้าจะอยู่กับความปวดโอ้ยหนูอยู่ไม่กมับโรคมะเร็งกระดูกมันปวดมันปวดมากเห็นอาการที่มันปวดมงเป็นอาการของกายเป็นอาการของรูปมันไม่ใช่นามนามคือจิตใจไม่ไปอยู่กับความปวดเวลามันปวดก็เห็นมันมันจะเบาลงถ้าเวลาใดเป็นผู้ปวดแล้วมันหนักมากแทบจะเอาชีวิตไม่รอด อยู่ได้เพราะการเห็นหนูอยู่ได้เพราะการเห็นแล้วก็ออกไปไม่เข้าไปอยู่ไม่เข้าไปเป็นกับอาการปวดเออเนี่ยเอาตัวรอดการปฏิบัติทำไม่อยู่กับความปวดไม่มีเห็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปแม่น้ำก็เหมือนกันคือจิตใจก็เหมือนกันความโกรธเป็นอาการของจิตไม่ใช่จิตฟังเอาไว้ ความรักความชังเป็นอาการของกิจที่มันเกิดขึ้นกับกิจแต่ว่ามันไม่ใช่กิจกิตจริงๆไม่เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจรมาบางอย่างก็ทำให้เศร้าให้หมองทำให้เปื่อเพื่อนได้เหมือนกับสาลาหลังนี้แหละกิตอนะ่ะใครมาอยู่ก็ได้สาาหลังนี้ไม่ว่าอะไรจิตของเราก็เหมือนกันอะไรมาอยู่ก็ได้แต่ว่ากิตไม่ว่าอะไรกับอะไรความรัก เกิดขึ้นกับจิตอ้าวจิต ก, ก็ไปรักแล้วความชังที่เกิดขึ้นกับจิตอ้าวจิต ก, ก็ไปชังแล้วความทุกข์ความสุขอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วก็ทําตามอาการที่มันเกิดขึ้นที่จริงมันเป็นอาการมันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวจิตจริงๆนะเป็นอาการจิตจริงๆไม่เป็นอะไรวัด น, นี้มีสติเป็นเจ้าของมีสติเป็นผู้ดูแลเห็นนะเห็น พระพุทธเจ้าตัดไว้จริงๆว่ากิจของเราเนี่ยแบพัดสอนผงใสอยู่เสมอแต่ว่าอุปจิเลตสิ่งต่างๆมันจรมาทําให้กิจเศร้าหมองนะเราก็ดูออกว่า Leonardo. อาการต่างๆที่ เ, editors, เ ก, กิดขึ้นกับกิจมันไม่ใช่กิจดูแลจริงๆดูเข้าไปจริงๆการบรรลุธรรมคือบรรลุตรงนี้ด้วย y, นะเห็นอาการของกายเห็นอาการของกิจเห็นธรรมชาติของกิจเห็นธรรมชาติของกายตามความเป็นจริง ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปอยู่กับอาการต่างๆแยกแยะออกย่อยออกทลุงออกทลุงออกย่อยออกเหลือแต่ธรรมชาติเหลือแต่อาการไม่มีใครสุกไม่มีใครทุกเป็นอาการเป็นปกติเป็นปก ต, เปปกติเป็นเค่ น, นี้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้มีสติจะได้หลักของกายของใจตามความถูกต้องตามหลักของอริยสัจสี ถ้าความหลงมีมันก็เกิดปัญหาต่างๆถ้าความรู้มีมก็เป็นมันก็หมดปัญหามันตั้งต้นวิชาและอวิชาวิอวิชาเหมือนป่าป่าในชีวิตจิตใจของเราเมื่อมีป่ามันก็มีสัตว์ร้ที่มันอยู่เพราะมีอวิชามีความโล้มีความโกรธมีหลงลำลักมีความชังมันอาศัยป่าคืออวิชาความไม่รู้ความไม่มีสติ วันนี้วิชาคือความรู้มีสติมันก็ไม่มีป่าในชีวิตจิตใจของเรามันก็เตียนแล้วหมดแล้วไม่มีเทอะไรหลบซ่อนแล้วเราฝึกสติเพื่อให้มันเรียบโล่งไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นก็เห็นได้มันเห็นได้มันมีตาในแล้วมันเห็นได้มันไม่มีอะไรหลบซ่อนปกปิดซ่อนเล่น ในกายในใจไม่มีตรงไหนที่เป็นความรับที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีสติเป็นผู้ดูแลเห็นหมดเห็นครบเห็นทั่วนนะฮะแม้ไม่ได้บรรลุธรรมจริงๆถึงขั้นที่สุดทั้งทุกข์ก็เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้อยู่กับโลกไม่ให้ถูกโลกทับถมเหมือนลิ้นอยู่ในปากลิ้นอยู่ในปากงูไม่ถูกเขี้ยวของงู ลินงูมก็มีผิดแต่ลิ้นในนั้นชีวิตของเราอยู่ในโลกพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับหมู่กับเม็ดอยู่กับเพื่อนอยู่กับแสงแดดอยู่กับละอองฝนอยู่กับมดกับแมงกับเบือบยุงลิ้นอะไรต่างๆนะไม่ต้องไปออกมาเป็นความสุขความทุกข์เห็นมันเอาชีวิตเป็นการศึกษาลูกมันเขาไปปฏิบัติไปคนเนนทาก็รู้แล้วคนสรนเสริญก็รู้แล้วรู้แล้วเนนทาก็รู้แล้วสซรเสริญก็รู้แล้ว เสียก็รู้แล้วได้ก็รู้แล้วรู้แล้วรู้จริงจริู้เรื่องไี้ไม่ให้เสียงแล้วในมาทับถมได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วโอ้รถของโลกทับถมเอ็นทาก็ซักเราให้ทุกสละเขินก็ซักเราให้สุขเสียก็ซักเราให้ทุกได้ก็ซักเราให้สุขถูกเขาซักให้เราอยู่เช่นนั้นไปคนละมุมไปคนละฉับคิดวิจิตใจอันเดียวปูปูแผลแผล มือนอาจารย์วโรเทพทํารูปเขียนรูปทําให้รูปเป็นหน้าบูดก็เปลี่ยนรูปหน้ายิ ม, มันยิ้มบางทีมันบูดมันยิ้มมันบูดอะไรมันเป็นอย่างนั้นแต่มือในรูปมันทําอย่างนี้มันอะไรมันสับจิตใจใช่ไหมจิตใจเป็นยังไงจึงสั่งให้รูปทําอย่างนี้ใหญ่ดีเนาะก็ทําทอย่างนี้ อะไรมันสั่ง <c oughs> เอ อ, เ อ, อรูปแล้วแหละจิตมันดีจิตมันไล่ใช่ไหมจิตมันล่เอามือไปทำลายถ้าจิตมันดีไม่เป็นไรเพราะนั่นเนี่ยมันสั่งมันชักเราจึงมาดูเชการศึกษาเนี่ยหนะ้ามรนานะกาลังนมกาลรังสาวอย่างเนี่ยให้มีชีวิตไปยาวๆมีความสุขมีความเจริญอะ กระว่ายลูไว้ไม่ใช่บาแบกหามต่อไปเรื่อยเรียนรไปเรื่อยได้ยินได้ฟังเป็นพระมูสูตรเป็นมงคลฟังอยู่นี่ก็มีภาคปฏิบัติมีการพูดให้ฟังอาจารย์สงสีนพวกเราพยายามที่ทําอยู่พวกเราไม่ได้อยู่ตรงนี้พวกเราก็ปฏิบัติแจกกันไปพระสองฆ์องค์เจ้าอ่าอ่าตอนนี้ก็สมควรใช้เวลาลวเราก็